ชนะความกลัวด้วยพุทโธ ท, ท่านว่าจากนั้นท่านก็ใช้ความกลัวนี้เองเป็นครูหรือเป็นอุบายเพื่อฝึกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลกันดังท่านเคยเล่าว่าพอความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับ คือจิตนี้ห้ามหรือบังคับเด็ดขาดไม่ให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่จุดเดียวคือ คำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไร่จิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ให้ปราศจากเลยความมุ่งหมายนั้นคือหมายตายกับคำนี้เท่านั้นไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ที่กลัวนั้นๆ ธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั้นแหละคือบทแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตจิตที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตนเมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิต ไม่ให้แยกออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้หน้ากลัวหน้าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะกับคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมพลังคือกำลังของอัจของธรรมขึ้นภายในใจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนามากขึ้น มากขึ้นสุดท้ายจิตใจดวงนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกทีน่นี้ความที่เคยว่ากลัวกลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิดให้หมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไร จะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี้มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นละ่ะเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอัตตาหิตอั ต, ตนโนโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้น นี่เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในชีวิตและการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น